ทำทองต่ออี ก, อกเพื่อเย้ยมสำหรับผู้ปฏิบัติก่อนที่จะเกิดธรรมเทศนาปฐมเทศนาธรรมจับที่เราสาทยายพิสูตนนี้มันเกิดไรมาก่อนจึงได้มี เทเจนะพระสูตรนี้ขึ้นมาเกิดจากอะไรมาก่อนถ้าเรามาศึกษาพุทธประวัติเรื่องพระพุทธเจ้าในช่วงที่ตัดชลูเนี่ยพระองค์ทำอย่างไร จึงได้เกิดการตัดสู้ขึ้นมาไต้โชว์เรื่องธรรมะจักให้ปัญจว้คีฟังมันผ่านมาอย่างนี้แล้วจึงไดโชว์โชว์ให้ดูขี้ให้ดูดังที่เราปฏิบัติแล้วก็เรื่องนี้เลยมีสติ มีความหลงมีกิเลสตัณหาที่มันเคยท่องเที่ยวในชีวิตจิตใจของเราเคยรับใช้เคยหอใจเคยเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านั้นหลงจะงมาที้ทันทีเลยปฏิบัติสองอย่างเป็นทางที่ผิดพลาดแต่ว่า กรรมฉนกมุขนันนการโยกอัตถะเจียมัตาโยกตงก็เคยผ่านนี่มาอย่างโซกโซนอัตถะเจียมัติโยกทรมานตนจนลำบากมาแล้วแล้วก็มาโชว์เรื่องปฏิบัติมัธิมาปฏิบัติธรมันคืออะไร ปัญจวัคีก็ทำอยู่แล้วเรืงนั้นเรื่องที่คงแสดงต่อแสดงเรื่อง ก, กรรมคันธกาโยโคพที่โทษของกรรมทั้งหลายที่มีความเพลินความไข่ความประหัดความพอใจในชีวิตที่ใช่มา มันก็เป็นกันทุกคนอย่างที่เรามาเจริญสติว่าจะมีสติมันก็มีสิ่งเหล่านี้มาขวางกันทุกชีวิตมันเป็นความมีความเป็นของชีวิตของสัตว์โลกและมันมีศรัทธาที่จะ ศึกษาเรื่องชีวิตจริงๆมันเกิดมันเจ็บมันเจ็มันตายมีสติก็ได้มีเครื่องเปรียบเทียบในการโชว์ของสิ่งที่ถูกที่ผิดในเวลาเราปฏิบัติ หลงก็ผ่านานี้มาอย่างโซกโซนมาเห็นมาตัดเรื่องมาชี้เรื่องตักเตือนเรื่องสองอย่างนี้แล้วก็มาโชว์เรื่องอริสัตคือีข้อปฏิบัติโชว์เลยทีเดียวเป็นทฤษฎีที่แบกลงไปในโลกในชีวิตคิตใจของคนเป็นทางปฏิบัติ กที่จะเกิดสัมมาทิทฐิอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดเร้งนี้ขึ้นมาเวลาเราปฏิบัติเราได้สัมผัสเจ้าหรีบ้างไหมขณะที่มีสติถ้าพูดถึงโชทิชเดีอริอสัตว์โช ท, ทิชเดี เมติมาปฏิปทาทางสายกลางนี่มันก็เห็นคือมีอะไรมีสติมีสติมันก็ลักความชั่วมีสติมันก็ทำความดีมีสติจิตก็บริ ส, สุทธิมีสติ ในในมรกคของ 8, แปดก็เป็นศีลเป็นสมาธิปัญญาในขั้ที่เราปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ในอะไรมากไหมสมา ธ, ธิมันเป็นอะไร นั่นเป็นปัญญาสมมาสังรโปงก็เป็นปัญญาสมมา ท, ที่มันเห็นชอบเห็นความหลงไม่ถูกต้องเห็นความไม่หลงถูกต้องเป็นปัญญาบุกเ บ, บิกไปเลยได้ปัญญาทันทีสัมผัสความรู้สัมผัสความห ล, ลงมันเริ่มต้นด้วยปัญญาจริงๆเวลาเราปฏิบัติไม่ใช่อนุบาล รูปข่ำบุกไปเลยสุขทุกบุกไปเลยเห็นมันสุขเห็มันทุกบูกไปเลยเป็นปัญญาไปเลยสัมมาทิฏฐิไปเลยผู้ปฏิบัติถ้าเปลี่ยนหลวงเป็นลูกนั่นแหละสัมมาทิฏฐิเปลี่ยนทุกเป็นลูกเปลี่ยนโกรธเป็นลูกเปลี่ยนอะไรทุกอย่างเปลี่ยนกิเลสต่างเป็นลูกเป็นสัมมาทิฏฐิ เปลี่ยนเป็นลูกได้ขณะที่เปลี่ยนหลงเป็นลูกเป็นการดํำหลีชอบเป็นปัญญาแล้วความหลงไม่ถูกต้องปัญญาล้วความไม่หลงถูกต้องความทุกไม่ถูกต้องเป็นปัญญาแล้วสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะไปเลยกับปะคือไปเลยไม่หยุดอยู่ในความทุกข์ความสุขความโลภความหลงไปเลยเรียกว่าดำํำหลีชอบ เป็นกัญญาเป็นเลยสัมมาวาจาสัมมากรรมันต์สัมม า, ม า, มมาอาชีวะสามสามตอนนี่เป็นศีลขึ้นมาแล้วเป็นศีลแล้วมาเป็นพวงแล้วเมื่อมีความเห็นชอบดรืชอบเปิดเป็นศีลขึ้นมาสำรวมไปเองผู้ปฏิบัติสำรวมไปเอง เป็นสินเป่นอาศัยสินแล้วไปเน่ยสัมมาอาชิวะสัมมากรมสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิวะสมรวมไปเลยผู้มีสติยมสงบเบาเจตระหนัลงไปในความใจชีวิตสัมมาวาจาโมสัมมาสติสัมมาสมิเป็นสมาธิแล้วไป่ะหนักแน่นเข้าไปเลย เบื้องต้นบุกเบิกเป็นปัญญาข้ามกลางเป็นศีลเป็นความงามของผู้ปฏิบัติที่สุดคือสมาธิเป็นความหนักแน่นหนักแน่นเพื่ออะไรบุกเ บ, บิกบความงามความหนักแน่นเพื่ออะไรเพื่อสร้างสารรหลเา ผู้ปฏิบัติย่อยู่ในลักษณะแบบนี้เมื่อเราจเจริญสติมันงุตามีมสติปายในกายมีสติปายในเวทนาในจิตในธรรมมันไม่กระทบกระเทือนกดงามขึ้นบาเป็นทั้งฝีนเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาไปในทัวสุดเลยตอนที่พเจ้า ตอนที่พระพุทธองค น, นแสดงเนี่ยนัดแสดงธรรมเทศนาตอนนี้ถ้าจะมาพูดอย่างนี้บัญชาพรองค์จะดักเข้าไปเลยโชว์ไปเลยแหวกไปเลยให้ดังดังไปเลยแหวกลูกลงไปไอ้บะโลกมังโลกพมโลกแม่มนุษย์ไม่เคยได้ยินคำพูดอย่านี้คำตัดอยากนี้เทศนาอย่างนี้แล้วก็ย่อมวันไวด์ ทีโทษ่เรื่องเกา่าที้ทษเรื่องเข้ ม, เ, มเรื่องตึง เ, เครียดอัฐะเยิมถาโยกซึ่งเป็นมีมาก่อนไม่คูท่องหกแก่ผ้าก็มีครูที่มาก่อนๆอย่างกุกเกากายนาเนี่ยไม่นุ่งผ้าจะหมาถึง นี่ขันธาฐานนาะบุตรก็ไม่นุ่งผ้าแล้วก็โชกันั่นแต่ว่าพระเจ้ามาโชว์เรว่นี้ขึ้นมามันก็ยอบวานไหวเพราะนั้นผู้ปฏิบัติก็เห็นเองเวลาเรามีสติ ได้เกิดสัมผัสกับสิ่งต่างๆที่เป็นธรรมชาติเป็นอาการของกายของใจของรูปของนามไม่เห็นใดเข้าไปเกี่ยวข้องทุกอย่างไปไ ป, ประกบไปเปรียบเทียบไปคิดไหลกับทุกอย่างเวลาเรามีจติเนี่ยมันก็สนุกดีแต่เพี้ยนหลงเป็นลูป น, ลนี่โทษมันไม่ใช่เรื่องน้อยมันผ่านอะไรมาแล้ว อัจะพูดแล้วมันก็ตัดเวรตัดกรรมแล้วเปยนหลงเป็นรู้นี่ตัดเวรตัดกรรมตัดภัยแล้วไกลจากภัยแล้ว <c oughs> มันสนุกมันเป็นงานอั น, นยิ่งใหญ่น่านก็ตือเลือโลดเอื้อศรัทธาสนับสนุน้าไป ชาตทฐาในทางปฏิบัติชาตทฐานในการมีสติเป็นพื้นฐานเป็นฐานเป็นหลักหลักชาานี้เป็นตัวหลักเหมือนฐานะชาบ้านม่ไล่เมนาไ ม, าไม่ที่อาศัย ศรัทธาที่มีความเชื่อเปลี่ยนหลงเป็นรู้เนี่ยมันหลุนแรงมากไม่มีอะไรที่ถูกต้องแบบนี้เลยเราก็ไม่เคยเปลี่ยนเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธเนี่ยเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เนี่ยนั่นเป็นศรัทธาเป็นทั้งสติเป็นทั้งความเพียรเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญามาเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้พลังห้าเรีวยว่าพละห้า มันจะอยู่ได้ยังไงเป็นเครื่องตานเป็นธรรมทิงให้ทําให้เกิดการจะจะลู่ขึ้นมาถ้าเราได้สมัมผัสดีๆมันเกิดจากนี่ขึ้นมาเลยไม่ศรัทธาไม่ควบเชื่อมัน่นไม่มือระ ว, วางอยู่นี่วางบนเขานี่ลู่อยู่เนี่ยเชื่อมากพลิกมือขึ้นลู่อยู่เนี่ย เมื่อรู้อยู่นี่มันก็ไม่ไปทางไหนหรอกยกมื่อขึ้นก็รู้เนี่ยเชื่อมัน่นเวลามนหลงเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงคือรู้เนี่ยเชื่อมั่นตรน้เออศรัทธาขึ้นมาอา่แน่วแน่มั่นคงศรัทธาก้าวหน้าไม่ใช่ศรัทธาหมตอขุดเข้าขุ ด, ดออกที่เกก็หยุดขยันก็ทำ มันกาไม่ใช่ศรัทธาจริงๆไม่ใช่พละจริงๆมันมีสติมันมีศรัทธามันบง่งบอกเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเกิดความขยนันเกิดความภาคเพียรเกิดความมั่นคงนักเ ด, ด ความรู้หนกแน่นความสุขความทุกข์บูรุ่นความหลง ก, ก็บรูรุ่นก็สิเหล่านั้นหนักแน่นไม่มีศรัทธาไม่มีสติไม่มีความเพียรแล้วก็ไม่มีเครื่องทุ่นเลยความหลง ก, ก็ยิ่งใหญ่ความทุกข์ก็ยิ่งใหญ่ พอใจไม่พอใจยิ่งใหญ่เจอเรืนี้ทันทีเลยหละปฏิบัติธรรมมีสติเป็นกดยก า, ยายก็ยิ่งใหญ่มันจะแสดงธรรมชาติทำแสดงอาการที่เกิดกับปลายกับใจที่เป็นรูปเป็นนามนี่ยนั่นก็ยิ่งใหญ่ ใหญ่ในความใ ห, ใ, ใหญ่ในอินทรีย์ของเขากายก็ใหญ่ตาก็มีความเป็นใหญ่หูก็มีความเป็นใหญ่จมูกลิ้นก็มีความเป็นใหญ่ จ, จิตใจก็มีความเป็นใหญ่ในอินทรีย์ของเขาย่อมยอมมีศึก มีข้าศึกมีกำลังพลระหว่างนี่เกิดขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติบางทีก็สู้ความคิดไม่ได้อารมณ์ที่เกิดจากความคิดมันเคยมันเคยเป็นเจ้าของชีวิตเรามารวมหลงเคยเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของใจมา เพิ่มสุขขมทุกข์เคยเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจมาพาะมามีสติก็ต้องไม่ต้องเป็นงานเป็นการบ้างสำหรับผู้ปฏิบัติแต่ถ้ามีสติปฏาการจริงๆเห็นกายจับปลัดให้ได้ห้าโอากาสให้เกิดเรื่องอื่นอีก มันจะเกิดอื่นออื่นอีกก็ให้เป็นความรู้ปเฉยนั่นเป็นอาการของกายชักว่ากายนั่นก็เพียงพอนะเครื่องทุนแรงที่จะบุกเบิกเห็นกายชักว่ากายจะให้มีตัวมีตนเกิดขึ้นอีกโซนที่เป็นกายที่เป็นรูปเป็นบาสิ่งที่เกิดขึ้นายมีมาก ไหเห็นเป็นกายมันก็เห็นเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายเป็นสุขเป็นทุกข์ก็เห็นเป็นเวทนาโอาหนาน้ําโยกน้นามมงเวทนานั่นแหละทิ้งลงไปในเวทนานั้นคือเวทนาสุขก็คือเวทนาทุกข์คือเวทนาไม่ใช่สัตุก่นส ต, ติจะไปทางนี้ มันบุกเบิกได้จริงๆนะสติเนี่ยถ้าได้ขี้ด่านจักสี่ด่านเนี่ยมันก็ไม่ยากเพียงแต่เรามีสติไปในกาเนี่ยมันหลงเห็นมันหลงกลับมากลับมานี่ตั้งวิธีธรรมมันสุข ก, ก็กลับมานี่มันทุกข์กลับมานี่ไม่ใช่เรืองยุ่งยากวิธีธรรมวิธีธรรม ไม่ใช่ไม่มีวิธีทงไม่ใช่เดิอนอยู่ยากที่ทำไม่ได้เช่นความหลงเปลี่ยนเป็นไม่หลงไนได้ทุกคนหลงทางไหนก็คือหลงหลงไปทางตาทางหูทางจมูกรินกายใจก็คือหลงมีสติอันเดียวเท่านั้นเป็นตัวเฉลยเป็นตัวเฉลย ต่อไปก็จะใหญ่ขึ้นมาเอนซีสติ อ, นตอิ น, อนซนะีจะใหญ่ของกายของตาของหูจอมือลิ้นใจสติเอนรีนะจะใหญ่ถ้าสติเอนซีเป็นใหญ่สติเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของใจสติเป็นเจ้าของรูปเจ้าของนามเมื่อเกิดความสะดวก มันจะใหญ่เพราะอะเพราะมันมันประสบการ์แก่ก้าปวดเลียด้ายสักวกกายที่ได้ป้ากายสักวอกกายนี่มันเกิดหลขึ้นกับกายในความร้อนความหนาวเป็นตัวเป็นตนในความร้อนความหนาวไหมเป็นตัวเป็นตนในความเจ็บความปวดไหมในความหิวความอะรต่างๆไหมเรื่องของกายตักายรุ่นรุ่น เวทนาที่เปิดกกายจริงๆล้วนๆไม่ใช่เวทนาเกิดจากนามจากกิจจากใจของโกรธโลกหลงอันนั้นเป็นอันหนึง่งเอย่าพึงไปยุ่งกับมันให้เป็นคนละส่วนให้เป็นคนละอย่างแล้วค่อยวัดกำลังไปเรื่อยๆไปเอาเฉพาะกานี้ก่อนมันปวดเห็นมันปวดนั่นไม่ได้เป็นผู้ปวดไม่ความปวดเป็นใหญ่ เรารู้สึกตัวเช้นมันนั่งอยู่มันปวดขามันคิดจะจะลูกเตินให้เห็นไม่ใช่ตนแยกตรงนี้เวลาเราปฏิบัติแยกตรงนี้ไม่เห็นอย่าดวนล้อ่วนปริเชตไม่เห็นมันปวดเห็นมันจะลูกมันคิดจะลูกมันมีมันคิดใ้อย่าให้ความคิดเป็นใหญ่ เราตามเราตามหลังความคิดมันคิดแล้วมันสั่งให้กายไปแล้วจึงค่อยลูกมันก็ไม่เป็นใหญ่สติก็ไม่เป็นใหญ่ตามเขาไปลุกไปแล้วจึงลูกจบเวลาเดินอยู่มันคิดจะนั่งก็นั่งตามความคิดมันคิดจะไปไหนมาไหนก็ไปตามความคิดให้ความคิดเป็นใหญ่พาลูกพา สุขวาทุกข์มันก็ไาชาัดให้มีสติเป็นใหญ่นับรั้งสังกิดรู้เชื่อก่อนทักท่วงเชื่อก่อนตอติเป็นตัวทักท่วงโต้ตอบสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดกวายกับใจกับรู้กับธรมโอต้ตอบทักท่วงกลับมาปฏิบัติให้เกิดขึ้นขนาดเท่นั้นโต้ตอบทักท่วงก็เกิด ก็มีการปฏิบัติคือกลับมาปฏิบัติ ป, ต, ต, ปติคือโตตอบทั่วทั่วปฏิบัติคือกลับมาเราจะลุกเองเราจะนั่งเองให้ความคิดมันสงบแม้มันมีความ ค, คิดก็ให้สติเป็นผู้เห็นปังให้รู้สึกตัวก่อนนั่งลงอย่างรู้สึกตัวจะลุกจะนอนหัดรู้สึกตัว อะไรที่เกิดขึ้นกับกว่าให้รู้สึกตัวให้มันเคยคิดให้นเป็นใหญ่แล้วก็ไปพัดเบี่ยงกับเบียธนาที่มันสุขผันทุกข์กับจิตใจที่มันคิดมันก็เห็นไปเรื่อยๆที่มันเป็นที่มันอยู่ในที่เดียวกันเป็นหมวดเป็นหมู่เวลาเราปฏิบัติ แล้วก็ง่ายง่ายไม่ได้ยากเหมือนเหมือนเหมือนตาลาเขาว่าอะไรกายเวทนาจิตธรรมมีทั้งสี่อย่างเดาเครื่องมากมาเป็นเครื่องต่อรองทำได้ทำไม่ได้มันก็ไม่ใช่ เปียนแต่เรามีสติไปดองกายอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายอะไรที่มันเกิดขึ้นใจอะไรที่มันเป็นอาการก็คือทั้งหมดแล้วเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมเวทนาก็มีมากธรรมก็มีมากส่วนกายกับกจิตเป็นอันเดียวเป็นรูปเป็นนาม สิ่งที่มาตั้งอยู่บนกายผลจิตเป็นเวทนาเป็นธรรมมันมาทีหลังกายเป็นวัตถุจิตเป็นวัตถุที่สมผัสิแต่ไม่เป็นนามธรรมมันลูเลยได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตมีมากสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายมีมาก เรียกว่าเวทนาเรียกว่าธรรมมีทั้งกุศลมีทั้งอ ก, กุศลมีธรรมอะไรต่างๆสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษสิ่งที่ผิดเป็นความโกรธโลภหลงความเกดตัญหาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิต ไม่ใช่จิดเรียกว่าทรรมหวงกันงก้นทำให้เราหลงอยู่ตรงนี้มากพ<า>อเรามีสติก็เห็นเอาเห็นเอาเห็นเอามันก็เกิดขึ้นที่แรกมันไม่ยิ่งใหญ่เพียงแต่หลงเท่านั้น<า>ก็ไป ม, มีภาวะที่หลงแล้วก็ไม่มีอะไรมาก ว่ามาเกิดขึ้ น, นเล็กๆตัวน้อยก็เห็นเพราะภาว่าที่หลงเป็นใหญ่อยู่แล้วเพราะภาวะเพราะเพราะว่าวจิตสติเป็นใหญ่อยู่แล้วเภาว่าที่หลงน้อยๆมันไม่ถูกต้องแล้วก็คงกําเนิดสิ่งที่เกิดขึ้นความหลงมีมากมันก็แล้วก็ กะทบก็เทือนไปเลยเหมือนที่พูดว่ากำลังคนคือสติข้าสึกคือหลงปราบตัวหลงได้เหมือนกับปราบข้าสึกได้บ้างกำลงคนคือสติน้อยปราบข้าสึกได้บ้างมากเวลาเราปฏิบัติ ไม่ใช่มันไม่ไม่ได้ทอํออนไลา์มันเป็นฐานเป็นสมองรลภูมิเป็นชัยภูมิที่ดีอยู่แล้วผู้ปฏิบัติใหญ่ทันทีเลยทีเดียวมีสติก็ใหญ่ขึ้นมาทันทีแล้วมีอำนาจขึ้นมาทันทีแล้วนี่เราจะรู้อยู่เนี้ยเลมาก็จะรู้อยู่เนี้ย รู้จริงจริหลงก็หลงจริงๆเวียนหลงเป็นไม่หลงก็ทำได้จริงจริงปาบผ้าเช็ดไต่าเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องกิจเรื่องธรรมแล้วก็สะดวกทรมคืออะไกว่วามอง่วงหอนอน ความนองเละสงสยความคิดพุ้งซ่านคือธรรมที่มันขวงกันถ้าเราพูดถึงความโอโหหอนความนองเละสงสัยก็มากความคิดพุ้งซ่านก็มากแต่ว่าอ้ทัศจักกุกจะคิดเหมือนไก่เขียอุ้นไปหมดเลยไม่มีชินเป็นอัน แต่ถ้ามีสติแล้วเป็นยังไงมันก็ไม่ยิ่งอย่ากมันหลงกับลูกมันชิด ก, กับมรกรุ่งมันเกิดจากตัวหลงแท้ๆจับพระดี๋ไปให้ได้จับหลักมีศรัทธาตรงนึ่งเข ย, ยนตรงนี้มีความเพียรตรงนี้ใส่ใจตรงนี้มีสมาธิคือใส่ใจเจ็บสีจังหวะใส่ใจสนุก สนุกลูกสนุกเปลี่ยนหลงเป็นลูกมันเป็นงานชอบสมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วเป็นปัญญาเกิดขึ้นแล้วเปียนทุกเป็นลูกเป็นปัญญาเกิดขึ้นแล้วบุกเบิกแล้วลุ่งอรุณแล้วสมมาทิฏฐิเปลนหลงเป็นลูกเปลี่นทุกเป็นลูกเปียนอะไรที่มันเกิดกับกายกับใจเป็นลูกทั้งหมดลุ่งอรุณแหงเสืองเงินสงทอง เป็นกระแสอู้เจริญสติปัฏฐานเห็นกระแสแห่งพระ涅槃เานื่อนหลงเวียนหลงเป็นเป็หลงเวียนทุกข์เป็นไม่ทุกข์กระแสเป็นเราเวียนผิดเป็นถูกเป็นกระแสเป็นเราพระนิพานเปแบบนี้กระแสแห่งพระนิพานมันมีมาพรอมกัน ว่าเราฟังพระสูตรเนี่พ่อชูหลักสติพ่พอชอหลักอริยมรรคยงแปดเป็นทิ่จะดีแล้วมันก็เห็นอริสัจสี่ทันทีในอริยมรรคยงแปดเป็นอริสัจสี่ลิ้นมันแข็งในอริมรรคยงแปดเป็นอริสัจสี่ เห็นเนี่ยอาลิยสัี่คืออะไรเหตุอยู่ที่ไหนทำอยู่ที่ไหนแล้วก็อยู่ในสติปัฏฐานที่เราทำอยู่นี่หมดเจ็บมันหลงรู้ไหมทำคามหลงแล้วไหม ได้ทำปรับความหลงว่าให้ไม่หลงแล้วได้ไปทาได้แล้วไหมว่าหลงเป็นหลงอยู่ทําได้บ้างไหมทุกคือหลงเราทําได้แล้วเรารู้แล้วเรารู้แล้วหลงเนี่ยไม่ถูกต้องความไม่หลงถูกต้องได้ทำไม่ความหลงหมดไปแล้วเหตุที่ทําไม่หลงเราเรารู้แล้วคือคือ ตัวสังขารคือตัวปุงแต่งความหลงนี่แหละเราทำาะไรแล้ ว, ลวเราทำเหตุให้แล้วแล้วมันก็เป็นไอ้ักไปเลยผู้เจริญสติปัฏฐานเป็นไปเลยอยู่ในดงบุกเบวอในอริชชีไปเลยพังทะลุงทะลายไปเลยรู้สึกพอใจเวลาเราปฏิบัติมันมาให้เราได้ทำ ทุกป็นสิงที่กําหนดรู้รู้แล้วเหตุที้เกิดทุกเลาะแล้วแล้ววิธีที่ทําให้เกิดทุกทําให้แจ้งแล้วแก้งจริงๆรวมหลงไม่ถูกต้องควมไมหลงถูกต้องความทุกไม่ถูกต้องความทุกถูกต้องที่สุดนี่แก้งจริงๆไม่สงสารวิธีที่ทําไม่เกิดจรรยนี่หมดไปก็ทําได้แล้ว มีหลักปฏิบัติแบบนี้เราก็พูดอยู่สมอว่าเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงให้เห็นยาเข้ไปเป็นได้เห็นไม่เป็นเขาพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทางหลุดพ้นเรียกว่าวิมุตต์อ๋อเลี้ยสัจจีจุดหมายปลายทางคือวิมุตต์หลุดพ้น วิธีปฏิบัติตามอย่างพุทธเจ้าตัดเทศนาว่าเรามีสติปัญญาลู้เห็นตามความเป็นจริงในปฏิวัติสามอาการสิบสองปิัติสามคืออะไรทุ ก, ทกเห็นทุกหนึ่ง <1. S 1> ไม่เป็นทุกส์2พุนจากคมทุกสามปริวัติสาม อะไรที่มันเกิดขึก็มีอย่างนี้มีประวัติสามมีอาการสิบสองเห็นหลงไม่เป็นผู้หลงพ้นจากความหลงอยู่ที่ไหนเล่าอยู่ที่การปฏิบัติมีจิตตินี่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปอ้อรายละเอียดแบบนั้นเห็นหลงมีความรู้จักตัวทําอะไรลงไปแล้วขนาดา น, นจนเปลี่ยนหลงเป็นรู้มันมีอะไรตรงนั้นไม่มีปฏิบัติตรงนั้นแล้ว ปริวัติสามอาการ12สองตรงนั้นแล้วมีโรคอยู่มันมีหลงเหตุให้เกิดหลงหนึ่งหลงเหตุให้เกิดความหลงค้นจากความหลงวิธีปฏิบัติดำเนินไปไงสมมาทิติโชว์ไปเลยป่ะเห็นชอบทันทีตกัป่ะยอมหลงไว้ถูกต้องก็ไปหลถูกต้องมาเป็นพวงเลยเป็นอย่างนั้นจริงจริงนะ ปฏิบัติมันเป็นกอบเป็นกรมขึ้นมาเอาไว้หลังเหมือนเราเดินทางมรรคเป็นทางคือดูเป็นมรรคคือเห็นเป็นมรรคดูกายดูเวทนาดูกิจดูธรรมมรรคเกิดขึ้นแล้วเห็นจกักธรรว่ากายสัจธรรว่ากายนั่นแหะมรรคเวทนาสัากธรรมว่าเวทนานั่นแหละมรรค กิดสว่ากิดมันละมักมั่นสักว่าทำเป็นกลางแล้วเห็นเห็นนี่เป็นเป็นมักไม่เป็นนี่เป็นสุขเห็มันสุกไม่เป็นผู้สุขเห็มันหลงไม่เป็นผู้หลงพ้นจากความหลงที่เวลาเราปฏิบัติมันหลงเห็นมันหลงมันรู้เห็นมันรู้มันผิดเห็นมันผิดมันถูกเหมันถูกนี่มักเป็นอย่างนี้ ไม่ใช่อยากได้ความถูกไม่อยากให้มันผิดนั่นมันมีอะไรไปเกี่ยวข้องไม่เป็นการปฏิบัติผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกเวลามันผิดแล้วไม่พอใจไม่สักแต่ว่าเวลามันถูกเราพอใจเวลามันสงบพอใจเวลามันฟุ้งซ่านไม่พอใจไปเอาผิดเอาถูกอยู่ฉะนั้นไม่เป็นมกักไม่เป็นมัจ เป็นกามมจุขันธิกานโยกถ้าหลงเป็นหลงเป็นกามแล้วทุกเป็นทุกเป็นกามแล้วสุขเป็นสุขเป็นกามแล้วอ่อนแอแล้วให้เข้าถึงสุขให้เข้าถึงทุกให้เข้าถึงหลงให้เข้าถึงรู้เอาผิดเอาถูกเวลาปฏิบัติมันเห็นเห็นเนี่ยมันก็แก้แล้วไม่เป็นเนี่ยมันแก้แล้วพ้นจากกันเป็นแล้ว บางทีมีความสงสัยนะเวลาเห็นหลงเห็นผิดเห็นมันผิดคนอื่นผิดแล้วก็เห็นคนอื่นผิดเวลาภาคปฏิบัติมันเห็นอันเดียวกันเราผิดกับคนอื่นผิดเหมือนกันแล้วทุกข์กับคนอื่นทุกข์เหมือนกัน เราสุกกับคนอื่นสุกหวนกันเวลาปฏิบัติมองเป็นสากลต่างคนต่างแก้ต่างคนต่างเปลี่ยนมาชิดเวลาปฏิบัติเป็นเรื่องส่วนตัวนับแต่งเจอเราก่อนถ้าหลงมันตรงนี้เราเปลี่ยนหลงไปไม่หลงถ้าคนอื่นหลงได้เขาเปลี่ยนเองคนอื่นผิดให้เขาเปลี่ยนเอา คนอื่นทุกให้เขาเปลี่ยนเอาแล้วก็บอกว่าอันทุกข์ของที่มันเป็นอยู่นั่นไม่ทุกข์ก็ได้แล้วก็บอกเรื่องสาคุลคนอื่นโกรธไม่โกรธก็ได้เรื่องสาคุลแล้วก็บอกจากนี้ไม่ใช่เราทิ้งกันก็ผิดคนอื่นผิดไม่ผิดก็ได้ เป็นเรื่องสกปรกเราแจ๊ต่างคนต่างแก่ไปเหมือนกับมีสติก็เป็นคนคนเดียวกันอย่างนี้มันจึงการงานชอบจริงๆขอให้ใช้ชีวิตเป็นส่วนตัวแบบนี้กันเถอะพวกเราให้เป็นส่วนตัวเสียก่อนเปลี่ยนหลงเปไม่หลงเป็นตัวเปลี่ยนโกรธเป็นไปโกรธเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เปลี่ยนผิดเป็นไมปผิด ให้มีสติเลื่อยไปเลื่อยไปให้ใช้ชีวิตแบบนี้แนวสิ่งที่มีปัญหาก็จะเป็นปัญญาเลื่อยไปเอาไว้หลังเลื่อยไปมันก็จะไกลไปเองคิดหาไม่เห็นละ่ะมันไม่เกิดอีกแล้วเป็นชาติสุดท้ายเหมือนพระเจ้าตัดเท็สนามเมื่อกี้นี้ไม่กำเบลออีกแล้วแค่ไม่ได้แล้ว จะให้โกรธอีกมันใช่ไปได้จะให้ทุกข์อีกมันใช่ไม่ได้จะให้มีจิตตนาทอีกมันใช่ไม่ได้เพราะมันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่ทางมันอิจฉาจะให้ไปเปิดเพื่อนความพอใจรวมเพื่อนอย่างนัน้นมันไม่ได้ไมันไม่ไม่มีอิจฉะมันเปิดเพื่อนเ <estás S 1> ปิดเ พ, <buh. S 2> พื image, ่อนมาได้เพราะมันจันแนลเย็นแต่คิดเฉยๆก็เปิดเพื่อนแล้ว มันทำไปได้ขมขืนตัวเองเหมือนก็บริคนบริสุทธิดมันก็ร้อสวงเสื้อผ้าที่สะอาดผ้าขาวขาวถ้ามีอะไรมาเปิดเปื่อนมันไม่ยอมให้เปิดเปื่อนอยู่มันเอาออกคนขวยที่จะซักอกกีวิจิตใจที่เป็นภพมจันเป็นเช่านานั้นมันไม่เปิดเปื่อนอะไรถ้ามันบริสุทธ์ มีสติแล้วแลวอยู่มีสติแล้วแลวอยู่โมลิสุดตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางที่สุดมีสติทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องอื่นเลยเบ้งต้นก็คือสติท่ามกลางคือสติที่สุดคือสติเบื้องต้นก็คือศีลท่ามกลางคือสมาธิที่สุดคือปัญญาก็คือปัญญา นั่นเป็นศินเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นศินสิกขาเป็นสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาเป็นอน้าที่สินเป็นหที่สมาธิเป็นอน้าที่ปัญญายิ่งขึ <c oughs> ้นไปเรื่อยๆรื่ยไปชำนานขึ้นเรื่อยๆไปเป็นปริญญาขึ้นเรื่อยเรื่อยไํานานในการไม่หลงชานานในความไม่ทุกชานานในความไม่เป็นอะไร ความนวนเรื่องนี้เป็นความบริสุทธิ์อยู่ในโลกแบบสง่างามอยู่ในโลกก็อยู่หนือโลกสิ้นภพสิ้นชาติสิ่นเวรสิ่นกรรมมันก็ไม่อยู่เฉยเฉก็แจกของสุตตะเกียงบอกกันไปวิธีสอนวิธีบอกก็มีอยู่โชวขึ้นมาเหมือนพระเจ้าโชธรรมเทศนากันแรกมีคนนําไปปฏิบัติ แปดเก้าเดือนมีผลลันเกิดขึ้นสองหนึ่งพราลูกวานิพงคงจะยืนอยู่ทรงประทับจืนอยู่ทางทิศตะวันออกเขียงเหนือมองสีมา้าโพอย่างไม่กระพริบตามีความภาาภูมมีความสาเร็จหลายที่มันมีลอยมองสีมา้าโผ เหมือนเรามีการงานที่ทำสำเร็จก็มันก็ประทับใจในผลงานเพื่อนปฏิบัติกันเถอะพวกเราขอให้ใชชีวิตเป็นส่วนตัวสุกสี่สิบวอนเนาะสกสี่ส <c oughs> ิบปอนเป็นส่วนตัวอย่าไปรับใช้คนอื่นจริงเองิน ทุกคนก็ให้โอกาสกันนะตอะนนี้ก็สมควรเจเวลาครับพพุท